กับการเป็นอยู่แต่ละวัดของตนเองอันนี้ก็เป็นดีไหมก็ดีทําไปเพื่อการเรียนรู้ไปเพื่อการศึกษานะถ้าไปโตโตเตะก็อย่างว่านะไปที่ไหนก็อย่างเก่าโกลนเก่าอย่างตรงพ่อเคยพูดนะไปที่ไหนก็เหมือนเก่าไปที่ไหนก็เหมือนเก่าพอปันเก่าอิตาเลาไปไทยกลับไปบ้านหัวล้านคือเก่าะ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 ประกาบพระเจดีของหลวงปู่ขาวจากนั้นก็คงจะแยกย้ายกันกลับลเราลงถ้าเป็นไปได้เราก็คิดว่านำาจตปัจจัยของคณะัทธาญาติโยมพี่น้องประชาชนไปร่วมสมทบสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ลีที่ผาแดงด้วยเพราะทุกปีเราที่ผ่านมาล้วก็ปีหนึ่งปีละครั้งสองครั้งเป็นปีนี้รู้สึกว่า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 น้ำรำหัวพระผู้ใหญ่เกาอย่างไรทำอย่างไงทำพิธีกรรมอย่างไรเราก็จะได้เรียนรู้ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เรือว่าเป็นคราวติญาติโยมเราก็จะได้รู้จักว่าวิธีการครวะครูบาอาจารย์ฝ่ายกรรมฐานฝ่ายวัดปา่า เ, เขาทำกันอย่างไรนี่แหละ เรียนวิชา ม, มันจกไม่เป็นหรอกเหมือนกับท่านสุซีมะท่านสุซีมาะเป็นลูกพระโพธิสัตว์ที่เมืองตะกัศิลาผู้พ่ออยู่ที่เมืองตะกัศิลาอยากจะเรียนวิชาวิชาาจากอาจารย์ผู้พออ่อวิชานี่วิชาลูกต้องการจะเรียนเนี่ย พ่อมองเห็นแต่เพื่อนของพ่อเน่แต่เขามาเรียนดูด้วยกันที่เมืองตากสิลาแต่เขาเป็นผู้ชำนาญเป็นผู้เก่งมากเพื่อนของพ่อท่านเนี่ยเป็นที่ยอมรับของทุกคนแต่เดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่เมืองกรุงพาราณสีเพราะนั้นถ้าลูกอยากจะเรียนวิชานี้นให้ไปเรียนกับพ่อเซียวพ่อเสียวค่อยบอท่านครับ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 พอมากับมาตัพอถามหาอย่างที่พ่อบอกให้ถามหานั่นนะบ อ, อกว่าเจอจริงๆอเจอก็เราไปรายงานตัวบอเนี่ยผมมาพ่อของผมอยู่ที่เมืองตะกศิลาชื่ออย่างนี้พ่อส่งมาอยากจะให้มาเรียนกับอาจารย์เที่ยวว่าเป็นเพื่อนกันกันกบพอ่อใช่เป็นเพื่อนกับพ่อของเธอนี่ยแหละเอารับรับรับอ่ะ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 เขาไปหาคุณพ่อใครว่าเป็นอาจารย์คุณพ่อครับวิ ช, ชาเนี่ยเมื่อไหรมันจะจบที่ผมเรียนมันมันหลุจบไม่เป็นน่ารู้สึกวมันไปหน้าเรื่อยมันถามมองหาจุดจบของวิ ช, ชาหนึ่งเงื่อนของวิ ช, ชาที่มันจบมันจะจบที่ตรงไหนครับพ่อทั้งพ่อโอ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 เรียนวิชารู้จักจุดจบของวิชาวิชาทุกคะแนนเะน่ยท่านรู้ว่าจุดจบมันอยู่ตรงไหนในวิชาที่เรียนในโลกเนะ่ยแต่มองคนอื่นสาขาอื่นพ่อมองไม่เห็นเลยว่าเขาจะเรียนจบวิชาในโลกนี้ก็จะจบลงที่ตรงไหนแต่เห็นลือสีกลุ่มนี้แหละที่ท่านสอนวิชาแปบลบว่ารวบรัด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 มักจะแก้ไขอย่างไรเมื่อแก้ไขแล้วนี่โลดคือความดับทุกเกิดมาอย่างไรนี่พระพุเจกสอนไปในอริยสัจเลยนะมองเขาประหาใจทุกสิ่งทุ ก, อ, ทก อ, อย่างออกไปจากใจทั้งหมดทุกออกมาจากใจสมุทัยเหตุให้เกิดทุกการมัตตัณหาภวตัณหาวิภาวะวตัณหามันออกมาจากใจพระพุทธเจดศรพอจากนั้นสุสีมะท่านศึกษาพอศึกษาท่านก็ได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 ถ้าหลวงพ่ออินพูดนะพวกเราจะเชื่อทั้งหมดมันก็ไม่น่าจะใช่อีกเหมือนกันนะพวกลูกหลานนะเอาต่อไปรับพร